ทำไมตัวจริงนางเอกถึงมักร้ายถามอยู่ในวงการมายารู้เห็นเบื้องหลังดาราแต่ละคนลับบางทีก็ประหลาดใจที่ตัวจริงนางเอกหลายคนร้ายนักส่วนนางร้ายหลายคนกลับแสนดีเข้าวัดถือศีลแปดเป็นประจำก็มีพอจะอธิบายตามหลักกรรมวิบากได้หรือเปล่าว่าทำไมเป็นอย่างนี้ ตอบทุกคนมีภาคดีและภาคร้ายในตนเองครับเนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วเรายังหลงวนเวียนไหวาตายเกิดอยู่ได้ก็เพราะมีโลภะโทสะโมหะแต่ขณะเดียวกันการเป็นมนุษย์ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าบุญถึงพอจะมีมโนธรรมและมนุษยธรรมด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมหาโจรโฉด อาจมีกระใจเอื้ออาทรช่วยเหลือลูกน้องที่จงรักภักดีขณะที่พระภิกษุอันเป็นที่เคารพ อ, อาจเผลอทำอาบัติร้ายแรงไม่ใช่ว่ามีสองภาคสองคนหรือโดนผีสิงกันทั้งโลกหรอกพวกเราต่างอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งของกิเลสและมนโนธรรมด้วยกันทั้งสิ้น คนที่แสดงเป็นนางเอกไปมากๆเข้ายอมรู้สึกขึ้นมาว่าบทบาทอ่อนหวานและแสนดีเป็นแค่การแสดงพอเกิดความเซ็งกับอาการจำใจหวานขึ้นมาเลยบีบให้รู้สึกอยากปลดปล่อยภาคร้ายออกมาสับ้างส่วนคนที่แกล้งเป็นนางร้ายมากแล้วย่อมเห็นความร้ายกาศเป็นเพียงการเสแส้งพอเกิดความแหนงหน่ายขึ้นมา เลยอยากมีใจที่สงบสงบเป็นสุขในโลกความจริงซะบ้างในไหนก็ปลดปล่อยรังสีความร้ายไว้บนจอพอแล้วและจากประสบการณ์ตรงของคุณคงเห็นว่าไม่ใช่ว่านางเอกจะร้ายนางร้ายจะดีกันร0อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับต้องว่ากันเป็นคนๆด้วยเดี๋ยวจะหาว่าคลุมไปหมด ถ้าจะดูกรรมดูวิบากกันอย่างละเอียดก็ต้องไม่ละเลยหรือตกหล่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปลองมาดูกรรมของจริงอันเกิดจากการอยู่บนจอบ้างเช่นสำหรับนางเอกบนจอนั้นหลายคนละมุน ล, ละไมพอจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนดูนึกอยากทำดีได้จริงๆหากขณะแสดงพวกเธอมีน้ำใสใจจริง อยากให้คนดูเรื่มใส่ว่าความสวยงามเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับกรรมดีมาพร้อมกับการกระทาอันเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตการแสดงนั้นๆย่อมเป็นที่มาแห่งบุญได้ส่วนนางดัจริตร้ายนั้นหากขณะแสดงพวกเธอมีความจงใจยั่วยุให้คนดูเกิดโทสะเกิดความมันไส้เกิดความชิงชัง ด้วยความภูมิใจว่าตนตีบทแตกคำหนึ่งอยู่อย่างเดียวคือเร่งเรา้ากิเลสคนดูให้เต้นเร้าขึ้นมามากๆการแสดงนั้นย่อมเป็นที่มาแห่งบาปได้จริงๆเช่นกันผมไม่ใช่นักดูละครแต่เท่าที่เห็นผ่านตาอยู่บ้างก็รู้สึกว่าสมัยเนี้ยเลิกเอาผู้หญิงบุคลิกเมียโจร มารับบทนางร้ายกันแล้วแต่เอาสาวหุ่นดีหน้าตาน่ารักพอๆกับนางเอกหรือกระทั่งเคยเป็นนางเอกมาประชันบทกันซึ่งในแง่เรตติ้งก็คงดีอยู่เพราะคนดูชอบเห็นคนสวยคนงามเดินพาเรตมาป้วนเปี้ยนให้ชมห ล, หลายๆคนในเรื่องเดียวแต่ในแง่ของการเร่งเร้าให้เกิดความโกรธและความหลงก็มองได้ว่าสื่อโทรทัศน์ อาจมีส่วนทำให้คนดูเห็นผิดเป็นชอบเกิดมุมมองว่าขนาดฟ้ายังกลายพันธ์ความงามเป็นเครื่องหมายของความชั่วร้ายได้อย่างนั้นแล้วคนธรรมดาเดินดินจะมีดีเหลืออยู่หรอใจคนดูย่อมคล้อยไปตามภาพเชื่อไปตามภาพว่านี่เป็นยุคแห่งการแปลงร่างจากเทวดานางฟ้าเป็นยักษ์มารกันเป็นหมดแล้ว นี่เป็นแง่มองเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับกา ร, รวิบากนะครับพูดพูดมานี้หาใช่อยากขวางโลกและหาใช่ว่าผมมีเจตนาชักชวนให้รนรงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โลกเรากําลังหมุนเร็วด้วยแรงขับของเงินไม่ใช่ด้วยแรงขับของบุญอาจาต้องก้มหน้าก้มตายอมรับกันไปตามนั้นแต่ตราบใดความจริงยังมีอยู่ คำถามคำตอบเกี่ยวกับบุญบาปยังมีอยู่ก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าแบบนี้เช่นกัน